พิจารณาเรื่องนี้แหละกขาทาการเคลื่อนไหวตัวเรานี่แหละเคลื่อนไหวโดยวิที่ไรก็ให้มีสติเข้าไปรู้เดินขึ้นนั่งลงเตียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยให้มีสติเข้าไปรู้แล้วลุกขึ้นเดินเคลื่อนไหวทางมือก็ให้มีสติเข้าไปรู้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 เพื่อเข้าใจเรื่องนี้การเคลื่อนไหวไปมาในอิริยาบถ ท, ทุกอิริยาบถนี่นเข้าใจถึงทุกดังนั้นจึงกำหนดในอิริยาบถนั้นให้รู้ทุกเท่าไหร่ในอิริยาบถ ท, ทุกส่วนรู้วเป็นทุกขงังเป็นอนาาิจจังเป็นอนัตตาทุกขังมันจิจุกับรูปเมื่อคนหรือสัต์ อะไรก็ตามมีการเคลื่อนไหวอยู่นั้นคือมีจิตมีวิญญาถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยว่าตายแล้วต้นไม้ก็ตายแล้วไม่เคลื่อนไม่ไหวคนก็ตายแล้วไม่เคลื่อนไม่ไหวเนี่ยเป็นอย่างก็รู้อันนี้รู้แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมใครจะว่ายังไงก็ตามมั่นใจว่าเรารู้เราเข้าใจตามคําสอนขอ ง, ของพระเจ้าก็กเลยเข้าใจอย่างนี้ อนิจจังก่อนั่งนิ่งไม่ได้มันมีการเคลนไห้มีทิตตามีหายใจเข้าหายใจออกคือนน้าลายนึกคิดเนี่ยเรียกว่าอนิจจังอนัตตาบังคับบังสาไม่ได้มันเต็มไปตามกฎเกณฑ์ของธรมชาติของมันและปฏิบัติให้รู้ยังนั้นการศึกษากับการปฏิบัติจึงไม่เหมือนกัน ที่โทษนี่ไม่ต้องศึศกษาอันนี้เป็นการปฏิบัติให้รู้เมื่อปฏิบัติให้รู้มันกลมรู้มีสองอย่างด้วยกันปฏิบัติเพื่ออยากรู้แค่ที่หนึ่งปฏิบัติเพื่อความอยากไม่รู้อีกสนิดหนึ่งปฏิบัติเพื่อความอยากรู้เป็นอย่างไรปฏิบัติเพื่อความอยากไม่รู้เป็นอย่างไร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 มันม่อยู่ตลอดเวลามังนั้นเรามาที่นี่วัสดสนามไหนปีนี้ไมู่้เคยพูดเพื่อนเ่เลยต้องเป็นคนกินถ้าคนไม่กิงหลอกและอ่อนแปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าถ้าสงฆ์ก็ไม่ก้าวหน้าญาตโยมมารักษาศิลมาปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าเมื่อไม่ไมก้าวหน้าก็เสียเวลาการงานของพวกเราเรามาบวดมาสูสา่ศาสนา ยิ่งทำให้พุทธศาสนาเจริญถ้าเป็นคนเข้มแข็งตปคนเอาจินพูดก็จริงทำก็จริไม่โกหกตัวเองไม่หลอกเลยงตัวเองบางคนนี่โกหกตัวเองหลอกลวงตัวเองโกหกคนอื่นไม่ได้โกหกตัวเองว่ายังไงก่ไม่พจะทำอย่างนั้นไม่ทำจะทำอย่างนั้นไม่จะพูดอย่างนี้ไม่พูดจะพูดอย่างนั้นแต่แน่นเราไม่เห็นจิตเห็นใจตัวเอง คนไม่เห้นจิตเห็ใจตัวอื่นนั่นแหละคนดูตัวหลงตนดมตัวคนหลงตนดมตัวมีซีดีบุกก็เหมือนกับคนไม่มีซีดีกันว่าอย่างไงคนใดไม่หลนตนไม่ดมตัวทิศถึงการทําการพูดของตัวอื่อยู่เสมอนั่นแหละคนนั้นเอมันจะติด่ันว่าอย่างไนเราสวดกัรมวิบินกันจับมันพุทธาเมื่พุทธังสามารถสีลัตถิทิน พูดแต่ตละโน้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลในทิฏฐิเสมอกันเราสวดกันเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจมันก็นรูก้กเ็เหมือ น, นกันกับพระพุทธเจ้าอันนี้เรามันมีเด็โพูดพูดหลายคำพันคำนิ้งคำแสนคำจู้การกระทำครั้งเดียวไม่ได้าการกระทำเนี่ยถ้าทำผิดก็ไปผิดทำถูกก็ไปถูกไปเลยตรวจตั้งใจ วันนี้โดมันเข้าพัรษาแล้วงั้สนามไหนต้อเข้าพรรษาที่ผมพูดตอนเช้าที่ทับนิ้สวนผมบอกว่าอย่างนี้คนใดไม่พอใจไม่ฝุกหัดมีบได้ก็พูดตอนเช้ามีา้ใหาจิตประจำพรรษาที่มีได้คนใดพอใจฝึกหัดโดยองค์มได้คนใดไม่พอใจควไปอยู่ทํามันเยอะเวลามันกี่ที่นั่งมันเป็นที่ของบุคคลผู้ที่มีสรัทธา แ ล, ล้วจะมาทำให้คนที่มีสรทาเสียไปพวกเราวัดกะน้ำในก็คล้ายๆกันตัวเดียวนี้เดี๋ยกจะเข้าไปศึกษาให้แล้วเราต้องตกรวมเข้ากันต้องติดใจเส้นแผนตู้โกชินทำโกชิถ้าทุกคนอยู่ที่นี่ติดคนอยู่ที่นี่ิถ้าทำจริงแล้วถึกกันออไปเป็นครูสอนคนได้ อ, อันนี้เยอะเข้ามาแล้วมันจะพูดการสอนไม่ดี นั่นแหละเมื่องดีเนี่ยเพราะยานปัญญาของวิพัฒน า, ยยย า, า อ, น อ, อย่างไม่สขึ้นอาศัยการเลืกอนเลั่อนยังไม่ไู้ื่อนแย่ยงไม่รู้ริงต้องสอนพระาพาสผิดไปเมื่อเรื่องดีดีเนี่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราเลื่อสนใจจัยงเราไปสนใจร่วมตื่นมาตื่นไปถ้าเราว่าไม่รีจริงเราจะสอนคนให้คนลงผิดสอนคนลงผิดมันก็พาเขาไปผิด ตัว เ, เองก็เป็สะพานนี้คนเหยียดเราใจที่มันอึดอิด่งถึงยังไงสำคัญการงานเวลเาในข้อพุตุกจริงที่หลองพ่อทำมาดูสองหลวงพ่อลุกแล้วดวยชมโมเลนทำงานแล้วไม่งานเลยแต่ต้องรักงานรักงานรักหน้าที่ทึงเวลาต้องทาอย่างที่เรามาทารักเนี่ยคนใด ท, ท, ที่เกลียดทานักก็เสอนเราคนไม่รักกานไม่รักงาน้าพตัวคนที่หกลียดไม่ทำนะ วันพ้ะไปวนไหนวันนึงถ้าเวลาทำนัดก็ไม่มาก็จะบอกว่าคนนั้นจะปฏิบัติตตทำมาก้าวหน้าทำเลยมันขี้เกี่จอะไรอ่ะพี่มันไม่ก้าวหน้าเพราถึงเวลาไม่อาการเอางานเดีแบบ๋ยกาญงานมันจะเกิดขึ้นได้ทำไมนึงเวลาต้องทำการงานของเราต้องทำงานที่ของเราต้องทำอย่าให้คนรื่นทาแทนเรไมได้ ค, น, ค น, นรุ่นทาก็คนรุ่นที่คนรุ่นไม่ทำคนอุ่นก็ไม่มีที่เราทําล้ก็รู้ที่ มีรู้คนละไเดยใจโ อ, บคคอตบ้าเปลืองเปลืองโตาคนไม่มีคนละไอเด ใ, ใจไม่กลัวคนไม่จัดคนเหหรื่องของเราว่เราดีเราเพื่นั น, นไม่ต้องเร็นคนประําไหนก็เป็นคนแขนขาหน้าตาเมยเทาเป็นคนจใจใจหม่มือกับมือกับรถยันรู้อะไรไม่ได้อย่างครับที่ผมได้ม า, มาให้ข้อคิดเป็นเรื่อเป็นอิบแะจิตใจในวันนี้ก่อนเยอะกว่าทุกคนจัาได้เราต้องปฏิบัติให้เก้าหน้า รู้จากการเนรู้จากงานรู้จากเวลารู้จากเขาเลิกสถานที่รู้จากเขาเลิกเจ้าบุคคลที่กินแล้วก็รู้จากเขาเลิกตัวเองนั่นแหละยกมือไ่ว้ตัว เ, เองเพราะการทําดีของเราเพราะเรามีขนาดมี้ด้มวยแล้วกม็มีคนงานของเราคุณรู้คนงานของเราจะคอยสวา่างขึ้นสวา่างขึ้น